มัตถิมาเหมาะกับการค่าเจเลตประเภทนั้นๆมัตถิมาที่มาที่โลกหมายกันก็คือความที่เกียดอ่อนแรงนั่นเองขนาดนี้พอดีพอดีแบบพอดีนะมัตถมาเจเลตมันจะไม่พอดีไงมัตถิมาต้องทำให้เป็นอย่งั้นควรจะตายว่าว่ามันลงไปควรจะอะไรเมื่อผคนม่อกคลงไปตามการตามเวลาตามสฐานที่ตามเหตุการณ์ที่ควรจะทําอย่างนั้นนั่นนั่นําเรียกมัตถิมา หนมัชฌิมารวิเดชอย่างที่เราท่านเห็นเงินนี่ยหนึ่มัชมารวิเดชที่สร้างเนี่ยจะทำได้บ้างเล่นมากเพราะว่ามันจะเพินไปวิทยาสนามมัชฌิมารเนี่ยี่เดชมันเอาเรื่องพิทยามาใส่ลงไปแล้วมันอยู่ข้างหลังแล้วแล้วมันขึ้นกลิ่นบนหัวขนบนหัวใจคนแล้บนหัวอยู่บนหัวเลยรคาว่าธรรมะนั้นเป็นของกลางก็จริง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 คือตามการเวลาหรือตามเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะใช้ธรรมะประเภทนั้นๆให้เหมาะกับยิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันแก้กันไม่ได้ควรจะหนักแต่เราไปเบาเสียมันก็ไม่ได้ควรจะเบาแต่ไปหนักอย่างนี้มันก็ไม่ถูกก็เหมือนก็เครื่องมือทํางานนั่นเองงานประเภทใดที่จะควรใช้เครื่องมือชนิดใดในข่างย่อมทราบเองควรจะหนักจะเบาจะใช้เครื่องมือประเภทใดให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ นายช่างเขาก็สร้าบของเขาเองนี่เราเป็นนายช่างสำหรับเราเราควรจะสร้างในตัวในตัวเองข น, นาดไหนที่จิตมันดื้อดึงขนาดเวลานั้นล่ะเอาให้หนักขนาดไหนที่มันอ่อน ด, ดลูนดลงไปแล้วมันย้อนลงไปแล้วปฏิบัติธรรมันก็ ต, ต้องต้องย่อนยานลงไปตามน้าหนักแล้วมันเข้าขัาละเอียดที่คนจะชั้นความละเอียดก็ต้องชั้นความละเอียดจะไปผ่าผลนั้นก็ไม่ได้มันหาหูกลู่ในตัวเองนั่นแหละ ถึงเวลาเด็กมันก็เด็กถึงเวลาหย่อนก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าหย่อนด้วยความอ่อนแอหย่อนตามความเหมาะสมที่ควรท้ายในการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือพิเลตนี่คือาการปฏิบัติเหมาะสมเดียวกับมัชชิมาแล้วได้ผลมาโดยลาดับถึงขนาดที่จิตมันมันหมอบราดลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักเนี่ยขนาดที่มันหมอบราดเราก็จะไปตามตีมันยังไงมันหมอบราดลงเข้าสู่ความโง่แล้ว ก็เป็นผลนั้นเองเราก็ชมผลทะเวทผลนั้นจนกว่ามันจะแสดงตัวออกมาอีกในท่าไหนพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนค่อยตามไปอีกน่ะนี่ยกตัวอย่างคือกนาจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยยังเอาจริอาจางออกจังจนถึงเหตุถึงผล้ประจกักษ์กันภายในใจิตใจจนกระทั่งถึงก้าอถึงความราบคาบแล้วถึงนั้นมันก็ต้อง ต่อให้เป็นเช่นนั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยนะเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการท ร, รมานอย่างหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเต็มภูมิก็เสวยผลในขนาดนั้นความสงบความสว่างสวยจะแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชําระอะไรเราจะไปท ร, รมานอะไรในขนาดนั้นดวมสติปัญญามีก็ทราบกันอยูเท่านั้นไม่ทํางาน เป็นเร่องรับทราบความอยท่ต น, นั้นพอจิตถอยออกมาจะจะแสดงอาการดื้อดึงผ่ากปุ้นต่อไปอีกน่นหนักที่นีเป็นโอกาสที่จะตามลงไปตามความหนักเบาของเกิ็ที่มันแสดงขึ้นมานี่เรียกว่าความเหมาะสมะเกี็ดก็มีหลายประเภทธรรมะก็มีหลายขั้นผู้ที่นามาปฏิบัติก็ให้เลือกเอาตามจลิตนิสัยของตนที่เห็นว่าเหมาะสมกับธรรมะนั้นๆ ที่จะนำมาที่เหลรตมาแก้ที่เหลสประเภทนั้นๆลาใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึง่งครูว า, าจาร์ที่ท่านเคยหนักตามสลิีนิสัยของท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั่นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงว่าแฝงมาด้วยแล้วต้องเป็นนิสัยองท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนททั่วไปฟัง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 ถึงการที่จะมาสอนลูกศิษย์ลงหาที่ไปฏึกษาอบรมเฉพาะอย่างยิงย่งคือ น, น, นปฏิบัติด้วยกันบนล้วนท่านจะแสดงให้เต็มแมสเต็มหน่วยเต็ M มภูมิองท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแก่บรรดาลูกศิษย์ที่ไปรบรมทึกษาเวลาท่านแยกยะไปทําคนหมู่มากเป็นประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็แยกยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้น เป็นบางการหีืเป็นเรื่องนิสัยของท่านเองก็กแสดงในวงใกล้คิดนั่นจะได้เห็นดวลลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิจดณาถึงปฏิบัติการอันหนึ่ของท่านมาตั้งแต่ก่อนจนกระทั่งถึงน้องมาเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั่นเองอย่างเผ็ดร้อนเอากยิงองอกจากออกเป็นออกตายเข้าว่าเลย นูบาอาจารย์ท่าไหร่กิงมากเกี่นิสัยนั้นมาใช่อยู่เสมอเพราะนิสัยนี้อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นซึ่งไม่แช่นิสยัยมันก็ต้องมีการดัดแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นชั่วการเพื่อเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสยัยหลังนิสัยเป็นหลักเสมอไปจะแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยถ้าเป็นตามนิสยัยแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย คำว่า น, นิสัยนี่หมายถึงว่าพื้นเพย์แห่งจิยามรารยาทหรืการสแสดงออกเป็อัจฉริธรรมก็เป็นอีกแง่หงที่นํามาสแสดงนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านรู้จริงเห็นจริงด้วยวิธีการอย่างนั้นท่านออกสแสดงมาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันถึงใจทั้งผู้สแสดงด้วยถึงใจทั้งผู้ฟังถึงใจทั้งการที่จะถอดถอนจเจลีกคือมันไม่มีอะไรสงสัย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 จิตใจของเราเรียบร้องหนาะความช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะถูกฆ่าสึกกดถีถ่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกบงกดถีบ่บังคับเรียกร้องหนาะความช่วยเหลือ่อะไม่ผิดกันถึงไปเจออันตรายยังไงมีใครจะฆ่าจะฟันจะแย่งจะจีงอะไรต้องช่วยด้วยช่วยก้วยช่วยด้ว ย, ว ย, วยเป็นธรรมดานี่จิตใจที่ถูก กดขีบบังคับจับค่าสุขคือพิเดตทั้งหลายก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจรึงไม่ควรนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องจากพิเดตเพจากจิตซึ่งถูกพิเดตเหยียบย่าทำลายจึงควรหาอบายช่วยเหลือตัยเหลือตัวเองนั่นแหละหรือบายวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้เพิ่งพิงอิมาศยจิตนี้ไปตลอดกาล ไม่มีการใดที่จะแยกจากจิตเพราะจิตกับเราก็คืออันเดียวกันเป็นติปเปียนจิยาอันหนึ่งที่เรียกว่าเราคิ่อันหนึ่งเรียกว่าจิตทานั้นเวลาสรุปความลงไปแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะ ต, ต้องด้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แยกจากจิตจิตเรียกร้องัึงหาความเสียหลือจากเรา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 ในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์มีเป็นชนิดหนึ่งเราจะนําอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรือฝึกฝนธรมานเราเราก็นําไปทําให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สําคัญอีกด้านคืออุบายที่ผลิกขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสติปัญญาของตนคนอื่นยืนดยื่นให้อย่างนี้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 การผิดโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นทุนทุนให้อุบายแล้วเราก็ไม่จนเกาะเปนมูลถึงคราจําเป็นจําใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งไข่น่ะจิตที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตพภาวนามาพอสมควรแล้วถึงคราจําเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งไข่จิตประวัติเข้าภ า, ายในทันทีอมันพึ่งไม่ได้จะพึ่งไ ข, ข่ไข่ก็ตายเต็มตัวว่าง ความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเต็มผุ้ก็มาช่วยกันไม่ได้ในขณะนั้นต้องพป็นเรื่องของเราจะผิดขึ้นมาช่วยเราเองนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามผิดตั้งแต่ บ, บันนี้ที่ยังไม่สายเกินไปให้มีสติปัญญาเท่าเทียมกับคนมายาของกิเลสที่มาแสดงอยู่ในขณะนั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งในขณะตายจัดโลภ์กลัวกันเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตาย เพราะนั้นจึงต้องพุ่มเทกำลังสติปัญญาลงให้ทันกับอุ์ไปของกิียดที่กลัวตายให้มันเกิดความกล้าหาญและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเราเมื่อมยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเมื่อรู้เข้าถึงความจริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็จริงไปหมดไม่ทราบจะไปหากลัวอะไรเหมือนหลอกตัวเองน่ะควาตายก็ทราบแล้วว่ามันตายไป็นยังไงจึงเรียกว่าตายนี่ รู้ชัดเจนมันกระทั่งถึงความสลายแห่งดินน้าลมฝ่ไม่ลงไปตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความตะทกนตะท่านในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุไรเราใจซึ่งเป็นของไม่ตายและตะโกนตะท่านหวั่นไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างเลยว่เน่ถ้าอย่นั้นก็ะาัดขันมันไม่โง่มันก็มาโง่อยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของนี่เราต้องผิดความฉลาดให้ทันกับท่ากับขันกับตัวเองคือจิตกฎมายาที่เกิดขึ้นจากจิตทำให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันจะกลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่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 ลูกทั้งภายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันถึงไม่กระทบกระเทือนกันอะไรจะเป็นจะตายจะอะไรจะร่วมได้เปลี่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราตามความจริงของมันอืสบายเรียนทําเรียนเพื่อความสบายเพื่อความเพื้องทุกข์เพื่อความหลอกแก้วความหลอกลวงที่เกิดอยู่ภายในจิตทั้งตนไม่มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มถุนกันเราต้มถุ น, นเรา่างสิมันต้มถุนมากยิ่งกว่า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 เกิดในที่แห่งเดียวกันความโง่หมดไปความฉลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันอืมความหลุดพ้นกับความติดข้องก็เหมือนกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นพ้นจากทุกข์มันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมสุขเนี่ยมันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันเท่านั้นเองไม่อยู่ที่ไหนรู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สําคัญมันหมายประฐานกาลเวลาเดี๋ยวตะคุบเงา ไม่แต่คุบเงาบอกก็รู้เงาก็รู้ไป็นคุบอะไรทั้งตัวก็ไม่แต่คุบทั้งเงาก็ไม่แต่คุบดูสบายทีดี้ว่ารู้รอบเหมือนยังตะวันเที่ยงตรงศีราะแล้วแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมดมนี่เมื่อปัญญารอบขิดแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวมันอยู่สบายนี่อนยะ่างคำพ้นโลก โล ก, กหมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ยที่มีโลกแห่งสมมุติมันครอบ ง, งมจิตอยู่แยกกันไม่ออกกันว่าโลกแก่ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมล้นล้วนกรแสวงสมยัยหาให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็อย่างดีหลักจิตเป็นใจเป็นสำคัญเป็นหลักใหญ่โตมาก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 แปลว่าอะไรกุศลาธรรมะตายแล้วไปสวดกันเต็มมาเต็มมาเฮ้เราเนี่ไม่อย่างนั้นแล้วก็จะว่าบ้าก็ตามสวดถ้ามันเต็มใจของเรานี่ยกุศลาธรรมะแปลว่าอุบายของความฉลาดเอาพลิกขึ้นมาให้มันเกิดความจะเดี๋ยวฉลาดท่านกับกิเลสซึ่งเป็นความโง่เขา่าทำผลให้โง่เขาก็คือกิเลสกุศลาคือหมาขึ้นมากุศลได้แก่ความฉลาดแก้ความโง่อยู่ภายในจิตใจมาแล้วกุศลนันกุศลาก็ต่างตายแล้วมันแสนสมัย ไม่ต้องพยุกต์อะไรไอผู้ประสบกุศลาเองก็ไม่ทราบกุศลาคืออะไรเป็นสวดกินเงินยิงทองเขาบอกป๋าผมเกิดประโยชน์เฮ้ยเบงั้นยิงนี่กุศลาธรรมมากระดูจิตของตัวเองมันฉลาดหรือไม่เวลานี้เอาอกุศลาธรรมมันมีโง่อยู่ในจิดใดบ้างพายนจิตนี้เอ้อัจฉ ร, ริยะตาทำมันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางคิดแลนเป็นกุศลคิดแลนเป็นอกุศล มันบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นอัิญากตาธรรมเหมือนกันถ้าเราจะจะแจกสมมติไปตรงนั้นแต่กินเราธรรมนามเป็นไปไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นธรรมหลายประเภทนี่หล่ะลางใหญ่อยู่ที่กุศลธรรมะกุศลธรรมะอัิญากตาธรรมะภายในตัวของเรานี่ทั้งนั้นสร้างให้พอกุศลธรรมาให้ตัวให้ให้มันพอเนี่ยตายแล้วนิมนต์พระมามาติฆาผู้ลาหรือไม่ไม่เป็นปัญหานี่โลกเขานิยมกันว่ากระทั่งขึ้นมาอย่างนั้นแหละ อหตุผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่ค่อยได้หลักฐานหรืเหตุผลอันแท้จริงก็คือกุศลธรรมมาภายในตัวเองเนี่ยนี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้ผิดการสร้างกุศลธรรมมาแก้อกุศลธรรมมาภายในตัวเองแก่ตรงนี้สร้างตรงนี้ในเทศเสมอเนี่ยใครจะมามากตามางทิเทศใน ช, ช, ช, ช, ชนุนงชนงมากพร้อไปซ้ำขัดเรื่องนี้เอาใหญ่เลยอื เวลาหลวงตาบัวตายแล้วจะมาไปเที่ยวกว้าน้างไม้ลําบากรมนทันนะมากุศลาธรรมมากุศลาธรรมาหลังหลวงตาบัวตายแล้วน่าเออตายแล้วตายทังหลวงตาบัวเววถงงวยอะพยายามสร้างกุศลความฉลาดมาโดยลําดับๆจนเต็มปฏิกําลังความสามารถทำมันจะจมก็ให้มันจมไปเออ้าความฉลาดจะตนไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสู่กุศลานบบไม่เกิดประโยชน์วางนี่เลยแตะกวนทํานมาทำไมาพระตะกวนพระธรรมกายวางสร้างตรงให้มันพอย เวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วไปเที่ยวกว้านนอพระตามมาตา ม, มามะกุสลารทำมาุ่งไปหมดแล้วส่วนมาทำก็มีแต่พิธีะแล้วให้พวกนั่นแหะสับปะหลงปลเลอะเขาจัดนั่นจัดนี่แม้แต่ผ่าไส้กี่วอันอะไรก็เขาจัดแล้วเราก็ดอมดอมาถวายเท่านั้นเป็นพิธีอันหนึ่งเอ้ยน้ําพักน้ําแล้งตัวเองที่จะทําแสดงความพ อ, อ, อพอใจด้วยตัวเอง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 โรคบางทยแนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีตายแล้วยุ่งพุศลามาติกากันยุ่งไปหมดเลยออนีไม่ดีดห่อวิธีทำมาตั้งกึกลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่ทราบวิธีทำหมายความว่าอะไรสวดกันวันทั้งคำคืนยังรุ่งนี้จะเสียงอึกทึกคือโครมหาความส ง, สงบสงัดที่จะเป็นไปตบความสงบเย็นใจแต่ก็ไม่ได้นี่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรอะไรไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเองเลย เวลาภาพท่านมาก็มาอ้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลท่านใครมีศรัทธาอะไรเอาบางสกุลเสร็จแล้วจะถาสพีให้พ่อเ น, นี่เหมาะเหมาะถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าทำายาอย่างนั้นจริงๆด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นไม่ให้ทำอย่างอื่นให้โลกได้เห็นนเป็นเรามีแบบมีฉบับของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสมสมดาวๆถึงแม้จะป่าก็ตามเอ หลักมีอยูอย่างนั้นแ่ะทําอะไรต้องมีเหตุมีผลมีหลังมีเกณฑ์เดี๋ยวเตัวตัวเสนีมาเหยียบย่ำทําลายศา ส, สนาจะเหลือแต่ชื่อความจริงจะไม่เหลือนี่จแหว่งเลยมีศา ส, สนาทุตีเต็มหมดเต็ม บ, บ้านเต็มเมืองไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่หนีมีแต่พิธีเต็ม บ, บ้านเต็มเมือง ในที่ไม่อยากไปเกี่ยวข้องเขานีมรดไปที่หนั่นที่นี่เฉพาะอย่างที่นั่นกรุงเทพลูกศิลูกศิล า, านี่มรไปกุชลามาติกาบางสกุลเอ้ยอย่าไปเลยมันไปกี่ขวางเขาหว่างเนี่อ่ะทิ้ทททงไปนัน้ความจริงแล้วไม่อยากไปยุ่งมีแต่พิธีไปยุ่งอะไรกว่าจะได้ทําอะไรหนึ่งโอโหพิพธีร้อยแปดทำการรอบด้านนอกเมืองศาสนาเขาจะจังานพิธี ทำต้องทำให้จริงให้จังให้ถูกตามเหตุตามผลกันโอ้โบุสุท้ายภายหลังจะถือเป็นกติตัวอย่างอันดีงามนั่นหลับมันอยู่ทีตรงนั้นไม่อยู่ที่พิธีใจถ้าพิธีเอาขังได้แทะได้ขังในสิ่งที่ไม่ขังเต้าในสิ่งในสถานที่ไม่คันให้มันถลอกปอกเปิกแล้วไม่หายามมาใส่ันเกิดประโยชน์อะไรคันที่ตรงไหนกาที่ตรงนั้นเนี่ยอจริงที่ตรงไหนพิจาณาวที่ตรงนั้นนแหละเรื่องส่วนกุศลธรรมาให้สวดในตัวเองนั้นแหละ นั่งก็ให้สวดยืนเดินนั่งนอนให้สวดกุศลาให้พิจนาความฉลาดแก้ความโง่ของตัวเองความโง่นันนำพาให้คนติดรับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทําให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่กิเลสเสกสรรขึ้นมาให้เป็นความฉลาดมันมันก็เป็นความโง่ถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลด้วยแล้วจะไม่มีเรื่องความทุกข์ความฉลาดเกิดมากน้อยเท่งไรจะปลดเปลื้องทุกข์คือความโง่นั้นเป็นอันเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลำดับ นี่แหละกุศลอาณาถูกต้องวินาตรงนี้เหตุประโยชน์อริยมรรคปัะโยชนมันเกิดจากอะไรเหตุประโยู่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หัวใจของคนเหล่านี้อย่างพระอัศจรรย์ท่านแสดงแก่พระสารีบุตรแกตมาเหตุปภวาน่ะทั้งหลาเกิดจากเหตุเหตุประโยคอะไรเป็นเหตุน่ะก็ใจเป็นมหาเหตุเนี่ยมันเป็นปัจจัยก็เออออกไปอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นขั้นแหนงไปโดยลำหน่บดับ ก็ไปจับใจนี้อวิชชาพยาสร้างคารก็เลื่อยไปเมาทั้งถึงสมุริโยโหติมันก็ล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นปัจยเกี่ยวเนื่องกันออกไปเมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วกับอวิชชาวติวเสสวิราคันไปเลยจนทั้งถึงนิโรโธโฮติเน่ดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาทั้งรากแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบไม่ต้องถามมันล่ะมันดับตายไปด้วยกันหมดถ้าถอนรากแก้รากขวนไมขึ้นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือ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 ทำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแต่เวลาเราปฏิบัติเอาแบบสุ่มดาวเอาความง่ายเข้าไปว่ามันก็เข้ากันไม่ได้เลยศาสนาเนื้อแต่แต่ชื่อมานับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่เป็นพิธีเฉยเวลาจะหลับจะนอนก็ไหว้พระโปเลโปเลปเลโปเล็เอาามาตัวก็เกือบจะไม่จบจะตายไปก่อนเแล้วล้มกรอกลงไปเลยไหว้ท่านแล้วก็ดีใจเพียงเท่านั้น มีนิดหน่อยเพาะ น, นดีใจแล้วไม่จะ ป, ปฏิเสธน้ว่าการว่าอางนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอสิ่งที่มันตรงมือเรานั้นเราไม่ได้คิดนสิอะไรพาให้ทําอดแอร์ทั้งขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังกว่านั้นบ้างไม่ได้หรือนั่น่ะตรงนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นตั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีจริงมี จ, งมจังมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศาสนาเขาจะตากปดแก่โลกด้วยความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถึ้งนี้พูดอย่างนั้น อ๋อละเอบังเพียงตัว น, นี้แล้ค็ครูใหญ่เลยว่าเลแล้วก็ครูใหญ่อะไรไม่รู้นะ